วัยอันแก่ของเขายัางเรียกว่าแก่เปล่าแต่ผู้ใดมีสัจจะมีธรรมะมีความไม่เบียดเบียนมีความสมรวมมีการฝึกตนเป็นผู้มีปัญญาคายมนทินโทษเสียได้ผู้นั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่คําว่าคายมนทินโทษเสียได้นั้นคายในที่นี้หมายถึงคือไม่โอมไว้ บุคคลยังไม่ชื่อว่าเป็นสาธุชนเพียงเพราะพูดจากเก่งหรือเพราะมีรูปร่างงดงามแต่ยังมีความริษยามีความตรนีและขี้อวดผู้ใดถอนรากความชั่วทุกชนิดเหล่านั้นได้ผู้นั้นเป็นผู้คลายโทษมีปัญญาเรียกได้ว่าเป็นสาธุชนบุคคลย่อมไม่เป็นสมณนะเพียงเพราะมีศรีรษะล้น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 จะเป็นภิกษุเพราะเหตุนั้นไม่ได้ผู้ใดลอยบุญลอยบาปเป็นผู้พระพุทธตรมจันทร์พิจารณาโลกด้วยปัญญาผู้นั้นเรียกได้ว่าเป็นภิกษุตัว อ, อย่างเห็นการแสดงธรรมอย่างตรงไปตรงมาโดยถือธรรมเป็นใหญ่ที่เรียกว่าธรรมาทิปไตในธรรมบท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 ยอมปลอดโปรงสบายใจในที่ทุกสถานเพราะไม่ถูกความหลงผิดชักจูงให้หลงไหลไปด้วยประการต่างๆคุณลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาข้อนี้นับเป็นเลอจริงๆข้อหนึ่งในคุณลักษณะทั้งหลายซึ่งผู้ใช้ปัญญานับถือศาสนาย่อมพากันเห็นจริงและยกย่องโดยทั่วกัน